วันนี้ก็เป็นวันพระด้วยนะเนี่ยสมัยก่อนวันพระในสมัยที่พระพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่เนี่ยวันพระก็เป็นวันที่ประชาชนไปฟังธรรมกันถือว่าคลววะเนี่ยมีภารกิจมากทำการทำงานพอถึงวันพระ ก็ไปฟังธรรมเพื่อให้ได้คอคิดเพื่อให้จิตใจที่เคยหมกมุ่นอยู่กับการทำงานเนี่ยมาทำความสงบให้แก่ใจสมัยก่อนพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยก็เป็นธรรมะเพื่อจิตใจของผู้ฟังนะคือพระประสงค์ของพระพุทธเจ้า ที่ประทานคำสอนเอาไว้เนี่ยเป้าหมายจริงๆก็เพื่อความไม่มีทุกข์เพื่อดับทุกข์ภายในจิตใจเพราะนั้นคำสอนของพระองค์เนี่ยไม่ว่าจะแสดงในแง่ไหนมุมไหนก็มีเป้าหมายเพื่อให้จิตใจมีความสงบมีความตั้งมั่นแล้วก็มีปัญญา รู้ความจริงแล้วก็คลายวางออกปล่อยวางไอ้สิ่งที่มันมามีน้ำหนักอยู่ในจิตนึงนแหละมากดทวงจิตใจมีน้ำหนักอยู่ในจิตใจคือไอ้สิ่งที่มันเป็นความทุกข์เนี่ยมันมีน้ำหนักอยู่ในจิตใจมาในรูปของการบีบคั้นทำให้เกิดความทุกข์ทรมาน บางทีก็ไม่เกี่ยวกับใจนะเกี่ยวกับเวทนาทางกายก็ได้ด้วยแต่ว่าเราแยกไม่ออกเราเนี่ยเหมือนกับเอาจิตเนี่ยมันมันไปรับรู้อยู่อะทีนี้ไอ้จิตเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ไปรู้อารมณ์แล้วมันก็สวยอารมณ์ได้ด้วยก็เป็นเวทนาขึ้นในจิตให้จิตเนี่ยบางทีบางทีไอ้น้ำหนักในร่างกายให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในร่างกาย ไอ้จิตไปรู้แต่ว่ามันแยกไม่ออกอ่ะมันเหมือนตัวเองไม่สบายแต่ว่าด้วยปัญญาที่เราฝึกฝนอบรมไม่เพียงพอเนี่ยไอ้จิตเนี่ยมันก็เป็นหลงยึดว่าเป็นเราขึ้นมาก็เลยกลายเป็นว่าเราเป็นทุกข์ไปแต่ถ้าจิตเนี่ยมันมั น, ม, นมันมีกําลังพอนะมันไปเห็นไอ้สิ่งที่มีน้ําหนักเนี่ยมันก็แยกออกด้วยบางทีบางทีก็แยก อ, ออกว่าเป็นเรื่องร่างกายนะ มันก็ดูเฉยๆได้พอดูเฉยๆได้ไอ้สภาวะที่มันมีอยู่ตามธรรมชาติมันดับไปของมันนะบางทีก็เลยเหมือนกับว่าเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยแค่เราสร้างเหตุปัใจจัยให้มันไปพอดีกับสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นนะไอ้สภาวะธรรมเหล่านั้นมันก็สลายไปของมันเองเนี่ยมันเหมือนกับเป็นกฎของธรรมชาติแต่ทีนี้เราสร้างเหตุอันเนี้ย ถ้าเข้าไปไม่ถึงเนี่ยมันก็ยังสลายไปไม่ได้เพราะจิตเรานี่แหละที่ไปหลงแล้วก็ไปยึดนี่ไปกอดไปรัดในความเป็นเราเนี่ยมันเหนียวแน่นมันหนาแน่นมากมันก็เลยคลายออกไม่เป็นถ้ามันคลายออกได้นะแค่ดูเฉยๆได้นะไอ้สิ่งเหล่านั้นก็อยู่ตามธรรมชาติของมันนะมันจะดับหรือไม่ดับ ในเมื่อจิตของเราไม่ไปสนใจจิตของเราดูอยู่เฉยๆได้ไอ้สิ่งนั้นมันก็ดับของมันเองดับหรือไม่ดับมันไม่ได้มีความสําคัญต่อจิตใจเพรา ะ, ะนั้นบางทีไอความทุกข์เนี่ยถ้ามันมีน้ำหนักอยู่ในจิตเนี่ยเราต้องสังเกตว่ามันเป็นเรื่องร่างกายหรือเรื่องจิตใจบางทีเราปวดหัวปวดหัวระบบประสาทอะไรมันตึงเครียด อากาศร้อนบ้างหรือว่าเจอไอ้ฝุน่นอะไรหรือว่าพวกสารพวกเชื้อโรคในอากาศเนี่ยแบคทีเรียบ้างไวรัสบ้างมันเข้าไปมันก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันไม่สบายอะ่ะไอ้จิตเราเนี่ยมันมันมีตัวตนอยู่มันไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันก็มีน้าหนักในจิตขึ้นมาก็เป็นเราเป็นเรามันก็สลัดไม่ออก บางทีมันไม่รู้เหตุมันด้วยบางทีก็กระทบอารมณ์นิดนิดหน่อยๆน่อยทีนี้แวบเดียวของของไอไอความรู้สึกที่มันแว็บเข้าไปในจิตอะความไม่สบายสมว่าเป็นวิบากของเราอะกระทบอารมณ์ปั๊บเนี่ยด้วยอำนาจของกรรมเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความไม่สบายขึ้นในจิตเนี่ยถ้าหากว่าตอนนั้นเรารู้ทันเสียเราก็เห็นมันเกิดแล้วก็เห็นมันดับไป มันไม่เอาเข้ามาเป็นเราอ่ะมันก็แค่แค่เป็นวิบากอันหนึง่งเป็นผลของการที่เราเวียนว่ายตายเกิดการที่เรามีความลุ่มหลงแล้วต้องกรรมมาเกิดอย่างเนี้ยมันต้องมีทุกข์อยู่แค่กระทบอารมณ์อย่างนี้ผลของกรรมหรือวิบากของกรรมมันก็ให้ผลเป็นความไม่สบายขึ้นมา หรือถึงสบายมันก็เป็นความอยากความต้องการขึ้นมามันก็เป็นอาการของจิตที่มันมันมีปฏิกิยาเกิดขึ้นถ้าเราไม่ทันตรงนี้มันก็อีกละมันก็มีน้ำหนักในจิตอีกแต่ถ้าเห็นมันเสียแต่ทีแรกมันก็เกิดดับไปอันนี้มันจริงต้องมาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วต้องมาประพฤติปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้านี่ท่านรู้เนี่ยปัญญายานของท่านเนี่ยสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยรู้ว่าควรจะแก้ไขยังไงควรจะทำยังไงการที่ชีวิตของเราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยทำยังไงมันถึงจะไม่มีทุกเนี่ยท่านก็สอนให้มีสตินี่แหละเนี่ยทุกคนก็เคยเจริญสติมาแล้วเนี่ยอันนั้นอะเป็นทางที่ถูกต้องแล้วเรารู้แล้วทางดําเนินไป ทีนี้ในเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยก็ต้องสร้างเหตุให้เพียงพออีก เ, เพราะนั้นเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ไม่ทิ้งหลักเราต้องมีหลักของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจของเราพระพุทธเจ้าบอกให้สร้างฉันทะสร้างฉันทะคือพอใจนี่อย่างทุกคนที่มาที่เนี่ยมีความพอใจอยากมาฟังธรรมแล้วก็อยากมาปฏิบัติธรรม เทศกาลวันสงกรานยุดหลายวันมีเวลาว่างมีโอกาสแทนที่จะไปเที่ยวไปเตรไปชายทะเลบ้างหรือไปต่างประเทศหรือไปช็อปปิง้งหรือว่าทำการทำงานทำภาระหน้าที่ต่างๆก็เสียสละเวลานั้นมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมมีแสดงถึงว่าความมีชันทะเพราะมีความศรัทธาเลื่อมใสยอยู่ในใจเนี่ย เพราะนั้นอันนี้แสดงว่ามีแล้วฉันทะมีแล้วความศรัทธาเลื่อมใสมีแล้วเนี่ยทีนี้ความเพียรพระเจ้าบอกให้ละดมความเพียรฉันทะนี่พอใจที่จะปฏิบัติพอใจเลื่อมใสขึ้นมาแล้วต้องมีความเพียรด้วยท่านบอกให้ปลุกเล้าจิตใจให้มีความเพียรให้มีความพยายามให้มีความอดทนมีความมุ่งมั่นบากบันไม่ท้อถอย มีจิตใจต่อสู้ขมักขเม็ดความเพียรของุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นความเพียรประเภทที่ปลุกใจตัวเองให้พยายามอดทนต่อสู้บากบั่นไม่ยอมทอ้อเจออุปสรรคใจก็ต้องเป็นใจที่เป็นนักสู้ไม่ถอยขมักขเม็ด ใจเด็ดเดี่ยวอาถานแก้วกล้านี่ความเพียรมันจะพอเราปฏิบัติจริงจังขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เพียรแบบเดินจุ ก, กรมหนังภาวนามันเป็นความเพียรในจิตใจเป็นความแก้วกล้าเป็นความอาทานเป็นความเด็ดเดี่ยวเป็นความขมักขมันแต่ไม่ใช่ไปเคร่งเครียดนะแล้วก็ไม่ใช่มีความอยากนะบางทีตั้งใจ แต่ว่ามีความอยากแทรกอยู่อะอยากจะเอาอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้นอนอนโอ้ยอันนี้ก็บีบคั้นจิตใจนะทำให้เคร่งเครียดอาตมาเคยเป็นนะแต่ก่อนเนี่ยไปปฏิบัติธรรมเมื่อไหร่เมื่อไหร่อ่ะเพราะความตั้งใจมันมากความเพียรมันมากแต่เราควบคุมความอยากไม่ได้เราไม่รู้จับความพอดีตรงเนี้ยใหม่ๆมมีปัญหามากเลยนะ โอ้ทั้งเค่งเคียดสภาวะธรรมก็บีบคัน้นแต่ใจมันไม่ถอยเอออันนี้อันนี้มีส่วนดีอยู่เหนื่อยยังไงก็อดทนสภาวะบีบคั้นยังไงกอดทนพอเราเพียรเราก็มีสติแต่พอวางใจถูกนว่าเออเอาละสภาวะธรรมแล้วแต่มันจะได้ผลไม่ได้ผลเราไม่ให้มีความอยากเข้าไปเกี่ยวข้องตั้งแต่นั่นมาปฏิบัติง่ายๆเออวางใจถูกนีปฏิบัติง่าย คือเหมือนกับไม่ไม่เอาอะคือให้ปล่อยให้ผลเนี่ยมันเกิดเองเรามีหน้าที่ปฏิบัติแต่ว่าเราก็มีหลักของพุทธเจาอยู่ในใจว่ามีฉันทะมีความพอใจมีความมุ่งมั่นนบากบัตรไม่ท้อถอยมีความอดทนคือเรานึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยตั้งแต่พระองค์ออกสแสวงหาโมกขธามออกทออกงรงผนวชเนี่ยมันไม่มี ช่วงเวลาที่พระ อ, องค์อ่อนแอเลยนะไม่ว่าไปศึกษากับใครในทางที่ยังไม่ถูกต้องยังไม่เห็นทางจริงๆพระ อ, องค์ก็ทุ่มเทเอาจนรู้ว่าไม่ใช่ทางเลยจบหลักสูตรไปหมดเลยแม้มาทดลองเองก็เต็มที่เลยนะเนี่ยไปอินเดียเนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่าไอ้ไอ้ตรงคาสิลีที่พระพุทธเจ้าไปบำเพ็ญทุกขกิริยา โอ้โหโหดที่สุดเลยก็ว่าสิ่งแวดล้อมน่ะเนี่ยพระองค์ก็มุ่งหวังที่จะพ้นทุกข์ทนลำบากต่อสู้เนี่ยแต่พอรู้ว่ามันไม่ใช่ทางก็มาเดินทางสายกลางแต่เป็นสายกลางทางจิตใจทำให้เราเนี่ยจะต้องจะต้องตระหนักว่าเออถ้าหากว่าเราเนี่ยต้องการที่จะไม่มีทุกข์ในใจเรา เราควรจะวางท่าทียังไงในใจเราก็มีความเพียรมีความพยายามมีความอด ท, ทนใจเด็ดเดี่ยวอาถานเป็นนักต่อสู้แต่ว่าไม่มีความอยากเรื่องผลแล้วแต่สภาะวะธรรมคือบางทีการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจา้ามันเหมือนกับรอเวลาให้การกระทำของเราการปฏิบัติของเราเนี่ย มันพอดีมันลงตัวกับไอกฎของธรรมชาติมันไม่ใช่ว่าเราอยากแล้วมันจะได้นะมันไปพอดีมันมีเหตุปัจจัยของมันมันลงตัวมันพอดีแล้วผลมันเป็นเองอ่ะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็พยายามจะสร้างเหตุให้ถูกต้องวางใจให้ถูกต้องแล้วก็พอใจที่จะปฏิบัติไปเรื่อยๆไม่เป็นเร่งรีบจะเอาผลมาบีบคั้นตัวเอง ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาคนที่มาปฏิบัติเนี่ยมักจะอยากได้ผลอยากให้ผลได้ตามที่ต้องการเพราะไม่งั้นก็ไม่มาฮะมาก็ต้องมีความหวังมีความต้องการใช่อันนั้นเป็นความจริงต้องมีความปรารถนาอยากจะคนทุกแต่เวลาปฏิบัติธรรมเราไม่มีหน้าที่ที่จะไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราบังคับ ให้สภาวะรมให้ผลของการปฏิบัติเกิดขึ้นเองไม่ได้เราจะต้องให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันสร้างเหตุให้ถูกต้องนี่เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เราก็วางใจสบายๆตรวจสอบดูแล้วเออถูกต้องแล้วแต่ภายในจิตใจมันไม่ย่อท้อเนี่ยไม่อ่อนแอพอใจที่จะปฏิบัติไม่กลัวอุปสรรคไม่กลัวปัญหา เพราะว่าปัญหาเนี่ยแค่ระวังใจถูกต้องมันไม่เป็นปัญหาหรอกอย่างที่ว่าแม้แต่ความทุกข์เนี่ยผู้เจ้าก็ไม่ได้สอนให้กลัวเลยนะมันมีอุปสรรคมีปัญหามีความทุกข์มีความเดือดร้อนผู้เจ้าสอนแค่ว่าให้กาหนดรู้เนี่ยถ้ า, าวสาวธรรมกําลังสมาธิใจมันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเห็นเอง ว่าเออไอทุกเนี่ยนี้คือทุกอย่างที่พระเจ้าบอกอะ่ะไม่สงสัยนะนี้คือทุกเลยนะไม่ใช่กลัวทุกนี้คือทุกให้กำหนดรู้นะกำหนดลงไปแล้วก็เมื่อกำหนดรู้แล้วมันกำลังรู้นี่มันพอทุกดับมันก็เป็นนิโรดนิโรชั่วคราวไปก่อนแต่ทางกานนิโรธแล้วมันก็รู้เหตุด้วยเหตุก็คือจิตของเราเนี่แหละ ที่ไปยึดมั่นถือมั่นอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือมันไม่รู้ความจริงมันเป็นเราเป็นของเรานี่มันจะวางของมันเองเนี่ยถ้าถ้าหาว่ามันปฏิบัติถูกต้องเนี่ยกลไกของการปฏิบัติของสภาวธรรมที่มันเกิดขึ้นภายในจิตเนี่ยมันจะคลายออกเ่งทุกมันก็วางของมันพะมันรู้ว่ามันไปจากจิตของเราเนี่ย ที่มันไปหลงผิดไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราอ่ะแล้วมันก็มีน้ำหนักในจิตเป็นทุกข์ขึ้นมาในจิตถ้ามันเห็นแล้วมันวางใจถูกต้องทุกข์ก็ดับไปจากจิตไอ่นิโรธชั่วคราวมันก็สอดคล้องกับ น, นิโรธจริงๆคือพันิพานเมื่อเรามีสติรักษาจิตของเราให้มันวางใจถูกต้องเป็นกลาง อะไรเกิดขึ้นก็รู้ไม่เข้าไปตัดสินไม่เข้าไปยินดียินร้ายกับมันเนเพราะนั้นถ้าหาว่าระวางใจถูกต้องมันก็ตรงกับคำสอนของพระพุทธเจนะ้ามีความเพียรมีสติสัมปชัญญะละความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียให้ได้แล้วอะไรมาเราก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายดูมันเรื่อยไปเนี่ยถ้าหาวางใจถูกต้องเราง่ายเลยนะ มันก็ดูว่าเออมีอะไรเกิดขึ้นเราก็เป็นผู้ดูไปแล้วแต่สภาวะรมเรื่อยไปนี่เดียว่าเราเราเข้าใจกฎของธรรมชาติเข้าใจกฎแห่งเหตุแห่งปัจจัยมันแค่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเท่านั้นวางใจถูกต้องแล้วมันก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆทีนี้ถ้าหาวางใจถูกต้องแล้วเป็นยังไงจิตของเรา ถ้าสติมันคุมจิตได้มันก็อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนานขึ้นก็เป็นสมาธิสมาธิเนี่ยสิ่งที่วัดว่าจิตเราเป็นสมาธิก็คือว่ามันอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนานขึ้นนานแค่ไหนก็แสดงว่าเรามีสมาธิแค่นั้นบางทีก็เรียกว่าเอกคตาลมมีอารมณ์เป็นหนึ่ง ส่วนอย่างอื่นมันก็มีเป็นอาการของจิตบางทีเราดูกายดูใจดูลมหายใจประครับประคองจิตใจทั้งว่าวิตกวิจารณ์เนี่ยก็คือเรียกชื่อของจิตนั่นแหละแยกแยะออกไปให้รู้ว่าเออตอนนี้เราไอายายการเดินทางจิตใจของเราเนี่ยมันเป็นยังไงว่าเออถ้าเราดูลมแล้วก็ประครับประคองจิตไว้ให้แน่ๆอยู่กับลมหรืออยู่กับอะไรอย่างเนี้ย เขาก็เรียกวิตกวิจารณ์วิตกคือเอาจิตไปดูอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งวิจารณ์ก็คือเราแวดเราวางจิตให้มันแน่วแน่ให้มันแนบแน่นอยู่กับอารมณ์นั้นให้มันลึกซึ้งอยู่กับอารมณ์นั้นเนี่ยไม่ให้มันคลาดเคลื่อนไปทางไหนไม่ให้เล่นรอดไปไหนทีนี้พอดูไปดูไปเนี่ยไอ้จิตเนี่ยมันละเอียดขึ้นมา มันก็จะวางพวกหยาบๆเนี่ยเข้ามาหาจิตคือมันมีปีติขึ้นมามันวางจากไอ้พวกกายพวกไอ้ปีตกวิจารเนี่ยมันก็มาอยู่กับเวทนาของจิตอ่ะไอ้พวกปีติเนี่ยความอิ่มใจเนี่ยพอใจมันอิ่มมันเพิ่มสบายขึ้นมาในในจิตไอ้จิตของเรามันก็มาสนใจไอ้เวทนาทางจิตเนี่ยความสบายภายในจิตเนี่ย เขาเอามันมาดูพีติเนี่ีตินี่มันก็มีส่วนประกอบของร่างกายเข้าไปด้วยอิ่มใจมันก็ทำให้อิ่มกายมีผลต่อร่างกายบางทีก็มีอาการขนลุกนิดหน่อยมันก็มีชื่อไปตามภาษาของบัญญัติเจต้ตังบัญญัติเรียกชื่อมันขึ้นมาคุตาปีติคณิกาปีติอะไรก็ว่าไป บางทีก็วูบวานานหน่อยแล้วก็ดับไปบางทีก็น้ำตาไหลเลือตัวเบาตัวลอยบางทีก็ซาบซ่านเย็นซาบไปทั่วร่างกายเหมือนอาบน้ำเยนำ็นฉ่าเนี่ยก็เป็นชื่อของปิติใจกับ ก, กายเนี่ยมันมันเกี่ยวข้องกันอยู่มันปรับตัวจิตมันมีการปรับตัวกาย ม, มีการปรับตัวแต่ว่าทางภาษาก็เรียกว่าปิติ อินกายอินใจอิ่ใจอินกา ย, ยมายยันกายสะเทือนมที่โยกเยกกระตุกมที่กระเด็นเลยนะเคยเห็นแมมแมมหัวโนหัวโนก็มีคนไปถามเขาว่าทำไมหัวเขาโนอ่ะต่นี้เขาก็ปฏิบัติยังไม่นานอ่ะมันก็ปิติมันรุนแรงอยู่เราเป็นั่งบนเตียงเขานั่งเตียงของเขาอ่านั่ง ตอนเช้าๆ้ามืดนั่งไปแล้วมันปุ๊บลงไปหัวก็กระแทกผื้นหัวโนมบางทีบางคนก็กระเด็นไปไกลถ้าหาว่าปฏิบัติไปอีกบางทีไอ้พวกนี้มันก็หยาบไปละเวทนาทางจิตเนี่ยมันก็มีแต่ความสุขอยู่ภายในมันก็มาดูสุขเนี่ยปีติสุขต่อไปมันก็วางเฉยเป็นอุเบกขาไป แล้วก็มีอารมณ์เป็นหนึ่งลึกซึ้งอยู่ภายในอันนี้เป็นอาการของสมาธิแต่ว่าไอสมาธิเนี่ยมันมีสองลักษณะบางทีมันแค่ตามดูอารมณ์แล้วมันมันไม่รู้อะไรอะ่ะเหมือนกับมันรู้แคบๆ แ, แ, แล้วก็แน่ว อ, อยู่ข้างในอะ่ะอาตมาเคยเป็นแต่ตอนนั้นก็ไม่รู้ชื่อหรอกก็เริ่มปฏิบัติตอนบินคาาวานนั่งสมาธิ เสียงอะไรขึ้นมาเนี่ยมันไม่สนใจเลยนะมันอยู่ข้างในน้นแต่เมื่อเสียงมันผ่านไปมันมันมีผลต่อร่างกายมันก็รู้สึกตัวออกมารับรู้เสียงอ๋อก็ไม่รู้มันคืออะไรแต่รู้ว่าเป็นอย่างนั้นะ่ะเนี่ยเวลาปฏิบัติเพราะเราไม่ได้ศึกษาปริยัตอะไรมากมายแต่ว่าก็มีสติเห็นตอนหลังมาอ๋ออันนี้มันเป็นเรื่องของสมาธิเป็นสมถกรรมาฐาน ต่อมาเราก็เอามันสงบเข้าไปพอมันออกมาเราก็มาตามดูที่นี่กายบ้างเวทนาบ้างจิตบ้างทำบ้างแล้วแต่ดูเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะแล้วแต่มันมันมันจะออกมาในรูปไหนอะไรคือขึ้นก็บรู้ดูดูนานเข้ามันเหมือนกับว่าสติของเรามันขยายตัวออกไปได้มันก็รู้ได้กว้างขวางขึ้นมาคราวนี้รู้สึกว่าใจเนี่ย มันโป่งโล่งเบากว่าเดิมมันไม่กดข่มเหมือนก่อนแล้วบางครั้งเนี่ยมันก็เหมือนกับมีอะไรเกิดขึ้นเองด้วยจิตเนี่ยมันเห็นนะมันมีอะไรแวบๆขึ้นมาแล้วมันก็เข้าใจในจิตอะว่าโอ้อันนี้เองนั้นที่มันไม่ใช่เราอะนะมันเห็นแล้วมันมันเหมือนกับว่าจิตเนี่ยมันมันเห็นแต่ตอนนั้นเหมือนกับมีความลงตัวด้วยนะมันไม่ใช่เป็นความคิดนะ มันเป็นความรู้สึกของจิตที่มันพูดออกมาจากจิตจิตไปเห็นแล้วมันก็เลยมันบัรยายออกมาห้ามมันไม่ได้พร้อมกับเกิดความเข้าใจอ๋อนี่เองอนัตตาแล้วก็เบาด้วยนั่นแหะเริ่มเริ่มเห็นแล้วก็เริ่มเห็นผลของการปฏิบัติส่วนอย่างอื่นเนี่ยมันก็มีบ้างคนปฏิบัติถามอนุนอันนี้อะไรข้างนอก นอนลงไปหัวไปกระทบหมอนเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวนะแต่อาศัยสติเรารักษาจิตมันก็ไม่รู้มาจากอะไรอะเราก็ไม่สนใจเพราะว่าเรารู้อย่างเดียวว่าอะไรเกิดขึ้นก็นตามะรักษาจิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายแล้วก็พยายามที่จะเห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่เอามาให้มันรุงรังอยู่ในจิตอะ่ะพอรักษาจิตได้มันก็วางใจได้ไดถูกต้องอะ่ะ ไม่ยินดีไม่ยินไลยแล้วก็เราเพียนสร้างเหตุเท่านั้นผลแล้วแต่สภาวธรรมตอนแรกๆที่มันวางใจไม่ถูกนะมันบังคับมันโอ้โหยมันเพ่งมันบีบคั้นตัวเองเนี่ยเหนื่อยมากเครียดมากแต่มันไม่ถอยมันก็มีสติอยู่พอเราหมดอะไรตายอยากปล่อยวางให้ความรู้สึกที่มันบีบคั้นที่มันอยากมันก็เป็นสมาธิของมันได้ การเพียนถึงจะหลงไปยังไงก็แล้วแต่มันก็ได้ประโยชน์อยู่มันมีสติอยู่ตลอดมันมีกําลังใจอยู่ตลอดเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจรึงไม่กลัวนะการปฏิบัติเนี่ยเราปฏิบัติไปเดี๋ยวมันก็รู้จนได้ละ่ะความรู้สึกว่าเป็นอย่างเนี้ว่าเออเราสงสัยบางทีพอปฏิบัติไปก็มีคําตอบให้ตอนหลังก็เลยรู้อ่าเออเราก็ไม่ค่อยได้ถามใครแล้ว ก็พยายามปฏิบัติไปแล้วผลมันก็เกิดขึ้นแั่นแหละเริ่มเห็นว่าอ๋อที่เรามาปฏิบัติเนี่ยก็คือนี่เองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจิตเราก็ปล่อยวางมีคําตอบให้กับตัวเองก็ไม่ใช่ว่าจะไปรู้เห็นมีลิปมีเดทมีอภิญญาอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะก็รู้วิธีเนี่ยมีสติรักษาจิต พอจิตมันมันสงบยังไงเราก็ปล่อยนะไม่ได้ไปฝืนไปอะไรเลยนะต่อมานี่ก็พยายามที่จะตามดูกายเวทนาจิตธรรมแล้วให้มันค่อยๆสงบลงไปเรื่อยๆมันก็ลึกซึ้งเข้ามันไปเรื่อยๆนะแต่ว่าคราวนี้มันดีกว่ามันดีกว่าตอนที่เราตามอารมณ์แล้วก็จอดจิตเข้าไปเข้าไปแล้วมันไปพักอยู่นิ่งๆเนี่ยอันนัมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยรู้อะไร แต่พอเรามาเอาสติเนี่ยอะไรเด่นขึ้นมาดูดูไปดูไปใช้หลักสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมตัวใช้หลักของมุตตเจ้ามีความเพียรมีสติสัมปชัญญะละความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียให้ได้ดูกายบ้างเวทนาบ้างจิตบ้างธรรมบ้างเอาเข้าไปเรื่อยๆคราวนี้มันเป็นสมาธิที่มัน อะไรเกิดขึ้นมันก็เริ่มรู้อ่ะทีแรกมันก็รู้รู้ยังไม่กว้างเท่าไหร่นะแลพอรู้ตอนหลังมาเนี่ยมันแน่วแน่ด้วยในจิตเนี่ยแล้วมันก็รู้หลอบด้วยคือมันเห็นมันเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยมันเห็นสิ่งที่ถูกรู้อ่ะแล้วก็มาเห็นผู้รู้ด้วยเหมือนกับว่าเห็นสิ่งสิ่งที่ไม่ใช่จิตกับเห็นตัวจิตเนี่ยเออมันเห็นแบบนี้รู้สึกว่า ข่าวนี้มันปฏิบัติรู้สึกสบายมาถึงตรงนี้นะเพราะฉะนั้นตอนแรกๆเนี่ยรู้สึกจะลําบากหน่อยตัวเองก็ไม่ค่อยเข้าใจก็บางทีก็มีตามดูลมไปดูนูน่นดูนี่ไปมันก็จ้องอยู่ที่ไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นะ่ะแต่มันไม่เห็นจิตไม่เห็นตัวดูต่อมาเนี่ยอะไรเกิดขึ้นมันมันเห็นด้วยแล้วมันรู้จิตที่ดูด้วยเออมาถึงตรงนี้รู้สึกว่าเบา สบายเนี่ยแล้วต่อมาก็มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเอมันเกิดเองดับเองเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโดยที่เราไม่ต้องไปคิดเนี่ยแต่ก่อนนี้ก็มีตอนที่มันจะเข้าใจอย่างนี้ได้มันก็มีบ้างเหมือนกันที่เราเราเห็นความคิดมันเกิดดับเออมันเกิดแล้วก็ดับนะเนี่ยออันนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับจิตใจมันก็ะยำกับตัวเองสอนตัวเองด้วยเลื่อยไปคือมีจิตที่ไปพิจารณา มีจิตที่ไปบอกสอนตัวเองไปด้วยเหมือนกับย้ำกับตัวเองอ่ะเหมือนกับมันมันเหมือนกับว่าไอความเข้าใจในจิตเรามันไม่พอมันก็เลยย้ำกับตัวเองให้เข้าใจให้รู้ว่านี่มันเกิดดับนะนี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะมันก็ไปตามลำดับของการปฏิบัตินะแต่พอไปถึงไปพอจิตมันมีกาลังมากขึ้นน่ะ จากสมาธิที่มันจมที่มันตามอารมณ์ลงไปไปพักไม่รู้อะไรพอเราเริ่มจเจริญสติปัฏฐานสี่หรือสติสัมปชัญญะขึ้นมาเนี่ยใจมันก็เริ่มตั้งมั่นขึ้นมามันก็มองมองได้รอบแล้วระวางใจถูกต้องจิตนี่มันสบายเลยนะเหมือนมันแน่แ น, แน่อยู่ข้างในอะ่ะก็มันไม่เอาอะไรแล้วเนี่ยมันสบายสบายแล้วเนี่ย มันวางแล้วมันก็เลยสบายไปเลยเป็นกลางๆงแล้วก็แนว่วแน่อยู่ข้างในทนีอะไรเกิดขึ้นมันเห็นเองทีนี้ทีแรกก็เห็นชา้ชาๆเห็นไม่ค่อยกว้างขวางเท่าไหร่จิตก็ไม่ค่อยชัดผู้เห็นเนี่ยผู้ดูเนี่ยก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่พอปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันจำนานขึ้นะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็เกิดแล้วก็ดับไปเลยไอ้ตัวจิตนี้ก็แน่วแน่อยู่ข้างใน แล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องสอนจิตอีกต่อไปแล้วจิตรู้เลยเห็นว่ามันเกิดดับทีนี้ความเกิดดับอันนี้มันก็เร็วขึ้นนะพอมันมาตามดูอาการของจิตเนี่ยทีนี้ยังอื่นเกิดขึ้นเนี่ยมันมันแทบไม่อยู่ในความสนใจมันหันมาดูจิตตามแก้ไขจิตตามสอนจิตปล่อยวางที่จิตไปพอมันรู้มันเข้าใจแล้วมันก็ รวมเข้ามาที่จิตตัวสติเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นตัวที่ระแวดระวังจิตจิตนี่ไม่สามารถออกไปไหนได้เลยอยู่ในอำนาจของสติเลยเมื่อเมื่อจิตมันอยู่ในอำนาจของสติความฟุ้งซ่านนี่หมดไปเลยแค่ขยับนิดนึงเนี่ยมันก็เหมือนกับมันเป็นธรรมชาติเลยตัวสติเนี่ยมันทันหมดเลย นี่เวลาเวลามันพัฒนาไปเรื่อยๆมันมันเป็นของมันนะนะแล้วความเพียรก็เพียรอยู่ตรงนั้นเนี่ยเหมือนเป็นอันเดียวกันนะถึงได้เข้าใจอ๋อสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันมันเป็นอริยมรรคแต่มันต้องได้ที่ของมันซะก่อนะถ้ามันยังไม่ได้ที่ก็ก็ปฏิบัติไปก่อนเนี่ยทีนี้ถึงเวลาแล้วมันก็ไปของมันได้ ริงว่าเออมันก็เริ่มต้นตั้งแต่นี้ละมีสมาธิเนี่ยถ้าหาว่าสติมันยังอ่อนจิตมันก็คิดไปเนี่ยก็เข้าใจเหตุแล้วก็ต้องจเจริญสติต่อไปเนี่สติมันดีขึ้นมาจิตก็อยู่ได้อารมณ์เดียวนานขึ้นเนี่ยถ้าสติตามดูอารมณ์เนี่ยไปก่อนมันก็เป็นสมาถากรรมาฐานถ้ามีสติสัมปชัญญะขึ้นมาก็เริ่มเริ่มที่จะรู้กว้างขึ้น ทำให้าว่าสติสัมปะชัญมีกําลังขึ้นมาสติปัญสีก็เริ่มชัดเจนเริ่มสมบูรณ์เมื่อพรันสมบูรณ์แล้วสติก็จะสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ขึ้นความเพียรก็สมบูรณ์ขึ้นเป็นสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมา ส, ม, ม, าส ม, มาธิสิ่งที่เกิดขึ้นก็เกิดดับไปเกิดขึ้นทั้งอยู่ดับไปสัมมาทิฏฐิมาอยู่ตรงนี้ตรงที่จิตมันเห็น ว่าสิ่งทั้งหลายมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยเป็นโล ก, กุตระสมาธิิสมาธิิแนวโล ก, กุตระเพราะนั้นเวลาปฏิบัติเนี่ยไอสมาธิที่เขาสอนกันเ อ, อ่อปัญญาอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่ามันมันไม่ถึงใจนะถ้าจะให้ถึงใจนี่มันต้องเป็นจิตเข้าไปเห็นนะเห็นมันเกิดดับเห็นไม่ใช่ของเราเห็นมัน เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของมันเนี่ยไม่มีเราเข้าไปเกี่ยวข้องไอ้สัมมาสังกปะก็เห็นว่าจิตเรานี่แหมมันน้อมไปในทางที่จะเป็นอิสระไปเลยอะ่ะเนี่มรักมันเป็นอย่างนี้ถ้าหาวมารักเกิดขึ้นในจิตใ จ, ใจของเราทีนี้ทุกคนเวลาปฏิบัติแล้วเนี่ยถ้าถึงเวลาต้องเป็นเหมือนกันนะความรู้สึกภายในจิตเนี่ยแต่ถ้าหาวเหตุของเรายังไม่ถึงเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับว่า ขณะนี้เราปฏิบัติถึงไหนเนี่ยถ้าหาว่าเรารู้ว่าเราปฏิบัติถึงไหนวางใจถูกต้องเราจะไม่กังวลเรื่องของการปฏิบัติเพราะว่าเหมือนการเดินทางถ้าหาว่าเราเดินทางเนี่ยเรารู้ว่าเออระยะทางจากตรงที่เราเริ่มต้นกับระยะทางที่มันเป็นจุดหมายปลายทางมันกี่กิโลเมตรเนี่ยพอเราขับไปเรารู้ว่าเออตอนนี้ได้สิบกิโลเมตร 30กิโลเมตรเหลืออยู่เท่าไหร่เรารู้เราก็ไม่ต้องกังวลนะครับไปเรื่อยๆในการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันถ้าหากว่าเรามาทําความเข้าใจเรื่องของการปฏิบัติให้จิตของเรารู้ว่าตอนเนี้จิตของเราปฏิบัติไปถึงไหนเนี่ยยังยังยกตัวอย่างที่ว่าเออถ้าหากว่าบางคนก็จิตใจเนี่ยมันเกาะเกี่ยวอารมณ์มากอารมณ์มันเนี่ยมีผลต่อจิตใจ แล้วสติเรายังอ่อนจิตมันเร็วกว่าสติอย่างนี้เวลาที่เราบริกรรมหรือเวลาเราจะให้จิตเราอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเนี่ยสติมันอ่อนจิตมันเร็วมันก็ต้องหลุดไปเผลอไปเพลินไ ป, ไปใจลอยไปนี่คือขาดสติแล้วก็ต้องยอมรับว่านี่มันขาดสติถ้าเราอยากให้ไม่อยากให้มันเผลอไม่อยากให้ใจลอยไมนอยากให้แน่วแน่อยากให้มันได้สติได้ปัญญาขึ้นมาไอ้อย่างนี้เป็นความอยากทั้งหมด แต่ถ้าเรารู้เหตุอย่างนี้เราก็พอใจว่าอ๋อของเราอยู่แค่นี้เอาทําอย่างนี้ไปก่อนเอาตรงนี้ซะก่อนให้สติมีกําลังซะก่อนเนี่ยทีนี้ถ้าหาว่าสติมีกําลังมากขึ้นตัวจิตเราก็เริ่มอยู่กับอารมณ์เดียวได้นานขึ้นเนี่ยอาการของจิตก็มีตามมาตามผลของตัวสมาธิเนี่ยเพราะว่าธรรมสมาธิหรือองค์ประกอบของสมาธิทางจิตใจมันก็เกิดขึ้นบอกให้รู้ว่าถ้าจิตเป็นสมาธิแล้วมีอะไรเกิดขึ้นในจิตเราบ้างถ้าเราเข้าใจตรงนี้ เราก็ไม่ไปไม่ไปกังวลกับไอ้เรื่องผลเนี่ยเราก็ดูต่อไปเข้าใจแล้วถ้าหาว่ามันยังไม่รู้อะไรมันยังต้องการพักอยู่นั่นคือต้องการกําลังต้องการความสงบหรือบางอย่างมันยังไม่ชัดแจ้งนั่นคือกําลังของเรายังไม่พออริยมรรคเนี่ยมันยังมีพลังไม่พอมันก็เลยไม่เห็นตามที่เราต้องการ ถ้าว่าเออเริ่มดูแล้วอะไรเกิดขึ้นก็เริ่มรู้แล้วะอะไรเด่นชัดมันก็ดูดูแล้วก็วางไปเห็นมันเกิดดับเห็นมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้ายังไม่ค่อยเด่นชัดเท่าไหร่ก็เป็นสติสัมปชัญญะสัมปชัญญะนี่คือมันมันเป็นตัวปัญญาแล้วมันก็เริ่มรู้ว่าจิตของเราเป็นยังไงควรทํำยังไงเนี่ยมันจะรู้ขึ้นมา มันจะรู้จะแก้ไขตัวเองได้ด้วยไอ้พวกสัมปชัญญะเนี่ยรูว่าใจเราสงบไม่สงบใจเราเป็นยังไงควรวางใจยังไงเนี่ยมันเป็นตัวปั ญ, ญญาทางนั้นเนี่ยมีสติมีปัญญาแต่ปัญญาระดับนี้บางทีเขาก็เรียกว่าสัมปชัญญะอันนี้คือจเจริญสติปัฏฐานสี่แล้วเริ่มที่จะเพื่อให้จิตตั้งมัน่นเนี่ย การที่จะให้จิตตั้งมั่นเนี่ยบางคนก็มีมาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเออพอจิตมันสงบลงไปเขาสังเกตว่าไ อ, อ้มันทํามานานละมันไม่ไปไหนเลยอะไดสมาธิแล้วพอออกมาสักพักมันก็หมดไปก็ต้องทําใหม่เนี่ยก็เลยเปลี่ยนใหม่เวลามันสงบลงไปแล้วเขาไม่ปล่อยเขาว่า เขาพยายามที่จะเวลามันออกมาแล้วตามดูแล้วกําลังของสติสัชัญญาก็มีกําลังมากขึ้นต่อมาเขาก็บังคับไม่ให้ลงไปให้มันตามดูซะก่อนแล้วค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงมันก็ลึกซึ้งเข้าไปเรื่อยๆได้เหมือนกันรู้สึกว่าจิตเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปได้ผลดีขึ้นนั่นก็คือว่ามันเป็นไปเพื่อให้จิตตั้งมั่นละ่ะเพื่อให้มันรู้รอบเพื่อให้มันรู้ความจริง เป็นบาดฐานของปัญญาทีถ้าหาว่ามันมันมีกําลังแล้วเนี่ยจิตมันจะแน่วแน่อยู่ข้างในอะอะไรเกิดขึ้นรู้แต่ว่าไม่มีผลต่อจิตเลยอะจิตไม่ต้องส่งกระแสะออกมาดูนูน่นดูนี่มันเห็นเองภายในนี่คือกําลังมันพอแต่ถ้ากําลังยังไม่พออย่าเสีว่าเวทนาเกิดขึ้นอย่างเนี้ยแต่ถ้ามัน ถ้ามันถ้ามันเวทนาเนี่ยมันยังไม่มีผลต่อจิตยังไม่แรงจิตสติมีกําลังมากพอควบคุมจิตไว้ได้เนี่ยมันก็ดูเฉยๆมือนกับเ อ, อเวทนาก็อยู่ส่วนของมันนะจิตเราก็เป็นจิตอะเวทนาก็ไม่เข้าไปในจิตเราก็ทนได้หรือว่าจิตมันอยากขยับอยากอะไรอย่างนี้เราก็เอาอดทนนอกจากว่าเออมัน ทนไม่ไหวจิตฟุง้งซ่านเราจะขยับก็ได้หรือร่างกายเรามันวิคนวิการอย่างเงี้ยเราจะเปลี่ยนนโยบทก็ได้อันนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องของเราในการปฏิบัติแต่ถ้าว่าเห็นว่าเออรู้สึกมันท้าทายดีอ่ะดูซิเราจะอดทนแค่ไหนจิตเราจะมีกำลังไงเนี่ยถ้ามันอยากเลิกอยากขยับเราสอนจิตเนี่ยมันก็ฝึกหัดสอนจิตเราอบรมจิตเราไปด้วยเนี่ยมันก็เริ่มสอนจิตตัวเองอ่ะ มันก็เริ่มสังเกตเห็นไอ้จิตใจของเรามีความอดทนมากน้อยแค่ไหนเราเคยตามใจมันมากมากมันก็อยากเอาแต่ความสุขความสบายพอมีความไม่สบายเกิดขึ้นเราก็อยากเปลี่ยนแล้วนี่มันเป็นความเคยชินมันเป็นธรรมชาติของจิตทุกคนนั่นแหละมันก็อยากสุขอยากสบายแต่ทีนี้เรากําลังฝึกจิตอ่ะเราก็ต้องเอาเอามาฝึกให้มันมีความอดทนให้มีจิตใจแข็งแกร่ง จิตใจเข้มแข็งมีจิตใจเด็ดเดี่ยวถ้าจิตใจมันมีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวอ่ะบางทีอยู่เฉยๆมันก็เป็นสมาธิเพราะอารมณ์มันเข้ามาไม่ได้ถ้าจิตใจอ่อนแอเนี่ยอารมณ์จะเข้ามาง่ายกุ้มลุมง่ายแล้วเป็นทุกข์ง่ายด้วยเพราะนั้นเวลาเราเป็นทุกข์เนี่ยแสดงเวลานั้นจิตเราอ่อนแอเวลาจิตอ่อนแอเนี่ยมันจะไปโทษข้างนอกนะมันจะส่งนอกทันทีเลย เป็นเพราะคนนั้นเป็นเพราะคนนี้เป็นเพราะเรื่องนั้นเป็นเพราะเรื่องนี้เพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้มันไม่เห็นตัวมันเองตัวที่มันกำลังส่งออกไปข้างนอกตัวที่มันกำลงังซัดความผิดสัดโทษออกไปให้สิ on, eh. ส่งอื่นคนอืน ar, ่นสิ ving, ส่งแวดล้อมอย่างอื่น AM. ปัดความรับผิด ช, ชอบออกไปจากตัวมันเองนี่นี่มันจึงไม่ค่อยเห็นจิตตัวเองเพราะมีธรรมชาติอันหนึ่ง ที่มันจะปัดความรับผิดชอบออกไปหมายว่ามันมาปิดบังไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวมันเองอ่ะมันป้องกันตัวมันเองนี่แหละเขาเรียกอวิชาตัวตนเนี่ยมันมันมันเป็นแบบนี้เพราะนัเวลามีปัญหาเนี่ยการทุ่มเถียงกันก็ตามอ่ะมันจึงซัดทอดออกไปข้างนอกหมดป้องกันตัวเองรักษาตัวตนเอาไว้เวลาเกิดปัญหาก็เกิดปัญหาแบบเนี้คือต่างคนต่าง ชั์ทอดออกไปข้างนอกเพ่งออกไปข้างนอกเพราะนั้นพระพุทธเจ้าอสอนให้มาละมัดระวังจิตตัวเองใครละมัดระวังจิตตัวเองก็เท่ากับละมัดระวงคนอื่นถ้าอยากละมัดระวังคนอื่นก็ต้องมาละมัดระวังจิตตัวเองนี่วิธีของพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงเข้ามาหาจิตของทุกคนถ้าหาว่าจะใช้วิธีของพระพุทธเจ้าแก้ปัญหาเนี่ยก็ต้องมาแก้ปัญหาของแต่ละคนนี่แหละ ไม่จิตของตนเนี่ยมีปัญหาจึงจะแก้ไขปัญหาได้ถ้าไม่งั้นแกไม่ได้ต่างก็จะให้คนอื่นแก้มันไม่แก้ที่จิตอะ่ะมันก็เลยแก้ไขไม่ได้อย่างเขาที่แล้วเนี่ยเขาถามปัญหาว่าเอา้าถ้าหากว่าเรามัวแต่มาปฏิบัติธรรมมาดูแก้จิตตัวเองมาดูตัวเองเหยื่อย่างเงี้ยแล้วเราจะไม่ไปช่วยประเทศชาติบ้านเมืองเลยเหรอ เวลาเราเห็นอะไรไม่ดีเราก็ควรจะบอกกล่าวประกาศออกไปให้คนเขารู้ให้เขาเนระวังเนื้อระวังตัวดูเหมือนว่ามันก็จะดีเราก็บอกว่าเออเราเนี่ยอาศัยวิธีของพระพุทธเจ้าเราขอปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าทางโลกเขาว่ายังไงอันนั้นก็เป็นเรื่องของทางโลกแต่เรื่องของธรรมะเราก็ต้องเดินตามทางของพระพุทธเจ้า แล้วเราเห็นว่าเรื่องของโลกเนี่ยแก้ตามวิธีของโลก hmm. มันแก้ไม่ได้โลกมันจึงได้มีปัญหาอยู่ตลอดไปทีนี้เราก็มาดูดูตัวเรานี่แหละว่าเออตอนนี้จิตเราอยู่ยังไงแต่สตินี่สำคัญถ้าหากว่ามันเผลอมันเพลินไปเนี่ยมันก็ทำให้เราเสียเวลา แต่ทีนี้เวลาปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันก็ไม่เป็นไปตามหลักการทั้งหมด น, นะนะบางทีมันก็มีอะไรแทรกเข้ามาบางทีก็ง่วงบางทีก็มี น, น, นู่นนี่นี่ทำให้มันไม่ชัดเจนแต่หลักของเรามุ่งแก้ที่จิตไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามจิตต้องไม่ยินดีไม่ยินลาลก่อนมาปรับที่จิตหรือให้จิตเป็นกลางๆซะก่อน คนนั้นบางทีพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าการปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์เนี่ยมีสิกขาเป็นอานิสง์มีสิกขาเป็นอานิสง์ก็คือมีศีลสมาธิปัญญาอยู่ในจิตคําว่าสิกขาใจสิกขาเนี่ยก็คือการได้ปฏิบัติปฏิบัติก็คือปฏิบัติให้ศีลมีขึ้นในจิตศีลก็คือสติรักษาจิตให้เป็นกลางๆลาละเจตนาที่ไม่ดีได้ก็คือละ ความยินดียินไลในจิตนี้แหละถ้ามนันละได้จิตเป็นปกติก็เป็นศีลถ้ามันละได้นานยาวนานมันก็เป็นตัวสมาธิจิตตั้งมัน่นมันก็พร้อมจะรู้ความจริงรู้ความจริงจิตก็คลายวางออกเพราะฉะนั้นท่านถึงว่ามีศีลสมาธิปัญญาเป็นอนิสงส์ปัญญาก็ต้องเป็นปัญญายานด้วยคือการที่จิตมันแน่วแน่แล้วอะไรเกิดขึ้นมันเห็นนะ เห็นว่ามันเกิดดับเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยจิตเห็นด้วยจิตแล้วก็จิตรู้จิตคลายออกได้คลายความยึดมั่นถือมั่นได้นี่เรียกว่าปัญญายาหรือวิปัสสนาญาณใ น, นเวลาวิปัสสนาญาณในแง่ของการปฏิบัติเนี่ยเรารู้สึกว่าตัวจิตมันเห็นเองเนี่ยมันมันมันคลายวางเองเนี่ยมันรู้มันเข้าใจเองเนี่ยมันน่าจะเป็นปัญญายาที่แท้จริงเราว่าอย่างนี้ มันไม่ได้พิจารณาอะไรเลยมันเหมือนกับว่าไม่ผ่านการพิจารณาเลยแล้วไอ้ที่มันเห็นเกิดดับเนี่ยทีแรกมันก็ห่างๆไปต่อมานี่มันเหมือนกับเข้าไปในจิตเราอะเวลาปัญญามันกล้าขึ้นมาเนี่ยมันมองดูจิตนี้มันนี่แต่ความเกิดดับอะจิตแค่นึกไปถึงอะไรพับเนี่ยมันเหมือนกับไอ้ตัวเกิดดับนี่มันมันรวดเร็วมากเลยนะ มันเหมือนมันมาบังตรงตรงตรงสิ่งที่จิตจะไปยึดเนี่ยไว้หมดเลยเพราะฉะนั้นจิตจะไปยึดอะไรไม่ได้เลยตรงนี้มันเหมือนกับว่ามันมันไม่ใช่ของเราอ่ะเหมือนมันอยู่เหมือนเหมือนเหมือนมีอะไรมากั้นไว้เนี่ยจากนี้ว่าความเกิดดับก็ใช่จะว่ายานก็ใช่มันจริงแค่เห็นในจิตเนี่ยมันขยายออกไปรู้รู้ทั่วเลยรู้กฎของธรรมชาติเลยมันจริงว่าเป็นอริยมรรคอริยผลเนี่ย รับเดียวในจิตบางทีโอโหมันสว่างไปเลยเข้าใจไปหมดเลยเพราะนั้นผลของการปฏิบัติเนี่ยมันจริงเป็นหน้าที่ของสภาวธรรมจริงๆเราจริงปล่อยความอยากแต่ก็วางใจถูกต้องเรื่อยไปทุกขั้นตอนบางทีก็มีอะไรเหมือนวูบเข้ามาครอบงำกายก็มีนะปฏิบัติอยู่นี่มันมีจริงๆเนี่ย บางทีก็เหมือนอะไรดำดำทะมุนเข้ามาผลวูบเข้ามาแล้วมุนหัวไปเลยแต่จิตของเราต้องไม่ยินดีไม่ยินหลยเนี่ยมันก็มีหลักจิตเราจะส่งนอกไปกังวลไปกลัวไปวันไวอย่างนี้เราเสียท่าแล้วเพราะเราทิ้งหลักของโพเทเจ้าแล้วถ้าอะไรเกิดขึ้นก็าตามรักษาจิตไว้ไม่ยินดีไม่ยินหลยรู้ทันทีนนี้เป็นเรื่องร่างกายถ้าเรารักษาจิตไว้ได้ไม่นานนะ ไอ้ตัวนี้มันคายออกเองนะมันเห็นเลยว่าเนี่ยมันเกิดดับมันจะซับซ้อนขนาดไหนมันจะลึกลับขนาดไหนก็เกิดดับมันก็เรียนรู้ว่าอ๋อธรรมชาติเนี่ยมันแค่หลอกลวงเราให้หลงเข้าไปทัวพันกับมันเท่านั้นเองถ้าเรารักษาจิตเราได้มันก็อยู่ของมันเกิดดับไปตามธรรมชาติของมันมันนี่ผลต่อจิตเราก็คือมันไม่ความหมายอะไร บางทีเหมือนกับจะเป็นจะตายกับแหมเหมือนกับร่างกายเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้แต่พอรักษาจิตไว้ได้ไม่นานอ่ะมันก็คายออกเองอ่ะคือจิตเราไม่ไปเกาะเท่านั้นแหละไม่ไปยึดเท่านั้นแหละมันก็อยู่ของมันน่ะจิตเราก็อยู่กับจิตอะมันก็เหมือนมีพลังงานอันหนึ่งที่มันมันทําให้เราเนี่ยไม่ต้องไปทุกข์กับไอ้สิ่งแวดล้อมเพราะนั่นไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นจึงมีหลักอย่างเนี้ยเวทนาก็ตามถ้าหาว่ามันเจ็บมันปวดรุนแรงขนาดไหนนะ ถ้ารักษาจิตไว้ได้จิตไม่ยินดีไม่ยินไายเท่านั้นจิตต้องเป็นจิตสิ่งเหล่านั้นอยู่ที่ร่างกายสิ่งเหล่านั้นอยู่ของมันตามธรรมชาติพอจิตของเรารักษาจิตไว้ได้ไอสิ่งนั้นน่ะมันจะเจ็บเจ็บปวดของมันก็เรื่องของมันน่ะมันไม่เข้ามาในจิตได้แล้วจิตของเราก็มีกําลังขึ้นมันก็ปล่อยวางปล่อยวางเวทนาได้ก็ปล่อยวางกายได้ปล่อยวางสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายได้ ใจเราก็เป็นอิสระมากขึ้นแล้วเนี่ยมันมันก็จะปล่อยวางไปเรื่อยๆปล่อยวางจากข้างในพอมันรู้วิธีปล่อยวางแล้วพอมันออกมาข้างนอกเนี่ยไอ้ปัญญาอันนั้นน่ะมันก็มารักษาจิตไว้ได้มันก็วางเข้ามันได้เป็นกลางๆได้มากขึ้นอยู่ในโลกก็ไม่ทุกข์มากแต่ก่อนเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องใหญ่ทุกทรมาน บ, บีบคั้นร่างกายกจิตใจไปหมด แต่พอรู้วิธีจิตมันรู้วิธีของมันเองเนี่ยมันคลายออกเฉยเอะ่ะเรื่องเล็กๆลน้อยน้อยไม่สําคัญไปเลยอะ่ะเรื่องที่เคยทําให้เราเป็นทุกข์ก็ไม่ทุกข์อีกต่อไปแล้ะคนอื่นเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารเออเราเนี่ยเห็นเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดารอได้ทนได้เดี๋ยวเดี๋ยวธรรมชาติมันก็จะขี้คลายของมันเองถ้าปรับที่จิตได้นี่มันจึงหันมาแก้จิตก่อนอันดับหนึ่งเลย แก้ที่จิตของตัวเองให้ได้ซะก่อนแล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาเราปรับจิตเราได้เนี่ยมันทำให้จิตของเราเนี่ยมันมันไม่มีอะไรกุ้มลุมอ่ะเวลาจะคิดแก้ปัญหามันก็คิดได้ง่ายมันไม่ใช่เอาจิตที่วิตกกังวลจิตไฟฟุ้งซ่านสับสนว้าวุ่นเอาไปแก้ปัญหาโห้โหบางทีมันเพิ่มปัญหาเลยนะนี่จริงว่าวิธีของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นวิธีที่ ทำให้เรามีชีวิตดีขึ้นแน่นอนเลยแต่มันต้องอาศัยการปฏิบัติตามคำสอนของเราที่ว่ามีศีลสมาธิปัญญาเป็นอานิสงส์นี่หละก็คือมันมีผลเกิดขึ้นกับจิตเราในแง่ของศีลจิตก็เป็นปกติได้ราเจตนาที่ไม่ดีหรือละความยินดียินร้ายได้ระดับนึงสมาธิจิตตั้งมั่นก็คือมันละความยินดียินายได้ ยาวนานขึ้นปัญญาก็คือมันเห็นนะเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพวกมันเนี่ยแต่มันต้องกําลังจิตต้องพอด้วยนะบางทีกําลังเราไม่พอเนี่ยเราได้ยินได้ฟังแล้วเราจะเอาเอาเอาเอ า, เอาความรู้ความเข้าใจเราไปอยากให้มันเป็นอย่างที่เราได้ยินได้ฟังไม่ได้การได้ยินได้ฟังนี่มันก็ ทำให้เราวางใจถูกต้องมันก็ปฏิบัติได้ง่ายขึ้นถ้าเราเข้าใจคือวางความอยากเสียมันก็กลายเป็นความรู้ความเข้าใจวางจิตใจได้ถูกต้องถ้าศีลสมบูรณ์สมาธิพอสมควรปัญญาพอสมควรเนี่ยมันก็สามารถบรรลุอริยมรรคได้อายะโสดาบันปฏิมรรคมันสมควร มันเกิดขึ้นในจิตเองพวกนี้ถึงเวลาแล้วเป็นเองอยากไม่ได้แต่ก่อนอยากได้ยินได้ฟังมารู้ด้วยแล้วก็อยากด้วยโอ้โหเครียดเหนื่อยด้วยเขานี้ไม่อยากปฏิบัติไปเรื่อยๆถึงเวลาเป็นเองเอออย่างนี้ง่ายสบายมันไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเรามีหน้าที่ปฏิบัติผลมันเป็นเรื่องของสภาวธรรมไม่ใช่หน้าที่ของหลอมก็วางใจไปเรื่อย แล้วมีอะไรสูงสุดปัญญาเป็นสิ่งสูงสุดเนี่ยการปฏิบัติตามคําสอนของเช้าก็คือถ้ามันมีปัญญาญาณแล้วเนี่ยมันทําให้จิตเราปล่อยวางได้ถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยอะไรเกิดขึ้นก็าตามอย่างเราเข้าใจเนี่ยมันเกิดขึ้นก็เอาเกิดข้างมันเนี่ยรักษาจิตไว้จิตไม่ยินดีไม่ยังไรถ้ากําลังพอเนี่ยจิตเห็นแน่นอนเลยว่ามันอยู่ข้างมันอย่างนั้นนะไม่ว่าอะไรผ่านเข้ามาก็ตามนะมันจะลึกลับขนาดไหนผ่านเข้ามาเห็นเลย เอาม้าก็มามันอยู่ของมันอย่างนั้นนะมันอยู่ที่ร่างกายอ่ะเวทนาก็เวทนาทางกายอ่ะจิตไม่เอาเข้ามามันวางเฉยได้มันก็เห็นว่าสิ่งนั้นมันก็อยู่ตามธรรมชาติเกินแล้วก็ดับมันไม่ดับก็ไม่สนใจอ่ะมันไม่มีผลต่อจิตแล้วอ่ะมันดับไปจากจิตดับไปจากความยึดมั่นถือมั่นดับไปจากความลุ่มหลงของตัวเองแล้วมันก็สบายสบายอ่ะทีพนั้นเวลาปฏิบัติมันก็มีอยู่ แต่ถ้าเราวางใจถูกต้องมันก็กลายเป็นหินลับสติปัญญาไปหมดทำให้เราเนี่ยวางใจได้ดีทำให้สติสมาธิปัญญาศรัทธาของเพียรมีกำลังมาก ข, ขึ้นปัญญาก็คือเห็นความจริงเห็นว่ามันเกิดดับเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเพรานังกายมีปัญญาปัญญายิ่ง ก้าเท่าไหร่มันก็ยิ่งปล่อยวางได้มากเท่านั้นนะถ้าปัญญาสูงสุดมันก็ไม่ยึดอะไรเห็นกายกับจิตไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเลยสุดท้ายต้องไปถึงนั่นอยู่ในจิตของทุกคนเลยปัญญาตรงเนี้จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนเลยแล้วคนที่มาถึงนี่ก็เหมือนกันบางคนก็อาจจะชาตินี้ไม่ชาตินี้ก็ชาติต่อต่อไปนู่นละหลุดพ้นจนได้ ถ้าไม่หลุดพ้นนี่ไม่หมดปัญหานะมันไม่จบนะเรื่องราวต่างๆภายในจิตนี่ไม่จบเลยแล้วมีอะไรเป็นแก่นสารพุทธเจ้าบอกว่ามีวิมุตติเป็นแก่นสารวิมุตติสาราสนะิกขาเป็นอานิสงส์ปัญจัตรามีปัญญาเป็นสิ่งสูงสุดวิมุตติสารามีวิมุตติเป็นแก่นสารก็คือถ้าปัญญามันสมบูรณ์นะ่ะมันก็หลุดพ้นไป ไม่มีอะไรเป็นเราวินของเราก็เป็นกลางๆเป็นธรรมชาติไปทั้งกายทั้งจิตเนี่ยมันกเข้าสู่ความเป็นธรรมชาติอยู่ไปจนกว่าไอ้ธรรมชาตินี้จะแตกดับสลายไปมันก็จบแล้วมีอะไรเป็นใหญ่เป็นอธิบดีแปลว่ามีสติเป็นอธิบดีสตาทิปัตยาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงมีสติเป็นอธิบดีเป็นใหญ่ เพราะนั้นขอให้เรามีสติไปเรื่อยสตินี้มันก็จะมาควบคุมจิตยอะไรเกิดขึ้นรู้แล้วมันก็ปัญญามันก็มีขึ้นมามันก็ปล่อยวางไปแต่ในเวลาปฏิบัติมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ีผลต่อจิตเราบางทีอย่างมันเจ็บมันปวดอย่างนี้ถ้ากําลังจิตเราไม่พอมันก็ไปยึดได้เพราะนั้นบางทีมันก็ไปดูเนี่ยทาไมยึงไปดูอ่ะเพราะจิตมันยังยึดเวทนาเป็น เป็นเราอยู่เราไม่ยึดก็ตามแต่ไอ้จิตเนี่ยมันเร็วมากอ่ะมันก็ไปไปดูก็ดูดูถ้าสติมันดูลงไปสติก็จะมีมีกำลังขึ้นมาสมาธิก็มีกําลังปัญญามีกําลังสุดท้ายันจะมาดูจิตเนี่ยถ้ากําลังจิตพรมมาดูจิตถ้ากําลังไม่พรก็ดูเวทนาก่อนดูไปแล้วถ้ากําลังจิตพอเนี่ยมันก็มาดูจิตมันจะปล่อยวางเวทนาแล้วเข้ามหาจิตถ้าป่อยวางเวทนาเข้ามาหาจิตเนี่ยเวทนาก็ไม่มีผลต่อจิต สบายเนี่ยโลกมันก็มาดูให้เห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ว่าเราเรื่อยไปทีนี้การปฏิบัติเนี่ยมันทำไมมันจึงต่างกันนะบางคนทำไมว่าดูอาการสาสบสองดูสุภาะดูเป็นธาตุอันนี้ก็คือแล้วแต่จริตนิสัยอ่ะมันก็คือดูกายนั่นแหละดูเวทนาดูจิตดูธรรมมุมมองภายในจิตดูยังไงแล้วจิตใจเนี่ยมัน มันมีความตั้งมั่นแล้วจิตใจมันสามารถปล่อยวางได้มันก็เป็นจิตนิสัยของคนนั้นไปอันนี้เราพูดเป็นกลางๆดูอะไรก็ตามต้องดูเพื่อให้ใจน้ตั้งมั่นเพื่อรู้ความจริงว่าไม่อะไรเป็นเราเป็นของเราอย่างนี้ถูกทางหมดแต่ถ้ามันยังไม่ตั้งมั่นเนี่ยมันก็ไม่เห็นนะจะดูล่างกายดูเป็นกระดูกดูเป็นผมขนเล็บฟันหนังถ้ามันยังไม่ตั้งมั่นเนี่ยมันมันก็ไม่เห็นนะ มันก็ไม่เข้าใจแต่ถ้ามันตั้งมั่นขึ้นมานี่พวกนี้มันก็สลายไปเองมันเห็นนี่เองว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราดูนี่ดูให้เพื่อใหเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้ากําลังพอเนี่ยพวกนี้มันสลายไปเองเลย um> เปลี่ยนแปลงไปเองเลยทําให้เรารู้ว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราได้เองนี่จริงเรียกว่าปัญญายามคืว่าปัญญาเป็นสิ่งสูงสุดเนี่ยมันมันไปที่เดียวกันอะ ชัดตามความเป็นจริงแล้วจิตเรามันจะคลายวางออกมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอีกต่อไปเอาช่วงนี้จะให้ดูตัวเองสักประยันหนึ่งนะก็ใช้หลักของพุทธเจ้านั่นแหละคือไม่ให้จิตไปยินดียินร้ายกับอะไรเหมือนกับว่ามันดูอยู่เฉยๆก็ไดออ้ให้เราดูตัวเองเป็นโอกาสสุดท้ายนะ นั่นก็คือให้รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างจิตของเราเป็นยังไงจิตเราเป็นกลางๆงได้ไหมจิตของเรารู้อยู่เฉยๆได้ไหมไม่ยินดีไม่ยินร้ายนี่เนี่ยวันนี้นี่คือปลอบจิตจิตเราไม่ได้หลงยินดียินน้อยอะไรไม่ยินดีก็คือไม่เปหวังที่จะเอานู่นเอานีน้มาทําให้ตัวเองมีความสุขละความยินดีละกามาสุขคาลิการโยก ละความยิน้ายอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยากจะบังคับให้ได้ดังใจเราไม่ได้เราก็ยิน้า้เราละได้ใจเราก็เข้ามาสู่ทางสายกลางเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นอริยมรรคมีองค์8เป็นศีลสมาธิปัญญาอยู่ในจิตเราหมดเป็นสมถะเป็นวิปัสสนามันอยู่ในใจเราหมดเลย นี้มันมีอะไรเกิดขึ้นอันนั้นเป็นสภาวะธรรมเหมือนกับว่าเราได้ตรวจสอบดูแล้วมันตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกอย่างหน้าที่ของเราก็คือเพียรพยายามต่อไปมีเป้าหมายก็คือว่าไม่ให้ใหทุกข์มันน้อยลงไปเรื่อยๆจนกว่าหมดทุกข์ไปจากใจเราทั้งใจว่า ให้การปฏิบัติธรรมของเราในวันนี้เป็นเครื่องสักการบูชาแด่พระพุทธเจ้าแด่พระธรรมแด่พระสงฆ์เราขอถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแล้วธรทำความรู้สึกว่าไม่มีอะไรเป็นเราให้มันเป็นเครื่องบูชาพระพุทธเจ้าไปเลยเหมือนไม่มีเรา เป็นการทดลองทำตามพระพุทธเจ้าสอนด้วยเลยก็สังเกตดูว่าพอเราทำความรู้สึกว่าไม่มีเราไม่มีอะไรเป็นเราความรู้สึกเป็นยังไงถ้ารู้สึกปกติก็แล้วไปหรือว่ามันมีความรู้สึกเป็นยังไงเราก็ดูเพราะมันมีผู้ดูอยู่แลวก็ย้ำกับตัวเอง ว่าถ้าหากว่าเราเลิกจากการปฏิบัติแล้วก็จะพยายามมีสติทุกริยาบทให้สติครอบคุมทุกกิจกรรมแล้วก็ย้ำกับตัวเองข้าพเจ้าจะพยายามประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปคอยข้าพเจ้าเป็นผู้มีสติปัญญารู้จแจ้งแทงตลอดในอริยสัจ ธ, ธรรมจนพ้นจากทุกในวัฏสงสารด้วยเถอ นำมืทัดสะพคะวาโตขอน้มแบเพื่ผู้มีพระภพรเจ้าพระองค์นั้นอระหโตซึ่งเป็นผู้ใกล้จากิเลตสัมาสัมพุทธัสสา เราสรุปโชคดาด้วยพระองค์เอ